ขอความเจริญในธรรมจงมีแนะท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่การบรรยายประสูทธ์ในวันนี้จะได้พูดถึงคาถาวัตถุกสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการสนทนาที่ควรสนทนาหรือต้อยคำที่ควรจะพูดคอนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ส่งสแสดงว่าเวลาใครก็ตามมาชวนสนทนา ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบปัญหาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันหรือว่าสนทนากันในเรื่องธรรมดาก็ตามแต่ว่ า, าบุคคลใดที่มีการสนทนาไม่ประกอบด้วยแนวทั้ง3ประการคือหนึ่งไม่ควรพยกรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ควรจะพูดได้ชัดเจนลงไปแต่ไม่ยอมพูดได้ชัดเจน เรื่องใดที่ควรจำแนกแบ่งแจกให้เกิดความเข้าใจโดยถ่องแท้ก็ไม่ยอมแบ่งแจกเรื่องใดที่ควรถามตอบถามให้ตอบเพื่อจับประเด็นในการหาความเข้าใจก็ไม่ทำอย่างนั้นเรื่องใดที่ควรหยุดเอาไว้เพเป็นเรื่องร้สาระไม่ควรจะพูดจะกลับออกมาพูดแต่คนที่พูดในลักษณะนั้นก็ถือว่า ไม่ควรพูดด้วยแต่คนใดก็ตามที่สามารถชี้แจงเรื่องที่ควรชี้แจงไปโดยนัยยะนั้นๆจนเกิดความเข้าใจเรื่องอะไรที่ควรจําแนกสแสดงก็จำแนกจำแนกแสดงโดยชัดเจนเรื่องอะไรที่ควรถามเพื่อตั้งประเด็นก็ถามแล้วก็ตั้งประเด็นโต้อตอบเรื่องใดที่ควรระงับไว้หรือยกเลิกไปก็ระงับหรือยกเลิกไปก็ควรพูด ควแสดงกับบุคคลเช่นนั้นนี่ก็ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งคือใครก็ตามที่พูดเรื่องอะไรไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่ไปที่มามายุติด้วยความเห็นของตนเองหรือว่าความเห็นของบุคคลอื่นหรือหลักฐานจากเอกสารต่างๆบุคคลเช่นนั้นก็ไม่ควรจะพูดแต่ถ้าใครที่พูดโดยมีหลักฐานมีที่ไปที่มามีเครื่องอ้างอิน ยุติด้วยความเห็นของตนก็ได้ความเห็นของบุคคลอื่นก็ได้หรือยุติด้วยหลักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็ชื่อว่าเป็นคนที่ควรกั่การพูดด้วยบุคคลประเภทที่สามนั้นเป็นคนมักโกรธหรือพูดอะไรกันนิดกันหน่อยก็โกรธการแจ้งกันหน่อยก็โกรธบางทีปูกโกรธเอาไว้ชวนทะเลาะก่อวิบัติ้อยคาอันใดก็ตามที่พูดไปแล้วมีลักษณะเช่นนั้นก็ไม่ควรจะพูด แต่ถ้อยคำใดที่สนทนากันไปขอให้เกิดความเข้าใจามีมิตรเมตริกันเพิ่มพูนความรู้ต่างก็อิงอาศัยกันควรจะพูดถ้อยคำเช่นนั้นอันนี้ก็เป็นข้อความโดยสรุปในพระสูตรที่ทรงแสดงเอาไว้คำปรกาฐาวัตถุนั้นแปลว่าเรื่องที่ควรพูดควรกล่าวหรือควรสนทนากันในที่บางแห่งทรงแสดงไว้ถึงสบข้อ แต่แนวสิบข้อนั้นเป็นการพูดถึงถ้อยคาที่จะเพิ่มพุนความดีขึ้นภายในจิตใจคนตอนนี้เพราะว่าอกิเลสด้วยความดีมันก็เรียนมาทางประสาทสัมผัสหรือเข้ามาทางประสาธสัมผัสแต่การพูดในลักษณะกระตุ้นเร่งเรา้าให้อะไรก็ได้จอเกิดในทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้เนี่ยมันมีอิทธิพลสูงมากต่อความเปลี่ยนแปลงทางจิต คนดีๆเรายุให้ตีกันก็ได้ก็ใส่ถ้อยคําที่บุคคลพูดเท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงเรื่องที่ควรพูดอีกชุดหนึ่งไว้เป็นสิบแต่ก็ไม่ตรงกันนี่แหละแต่ว่าครอบคลุมเนื้อหากันได้ไม่ตรงตัวกันนะเรื่องการไม่ตรงตัวกันนั้นบางทีมันก็แปลกมาก่อนจะมานี่ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาบอกว่าในข้อความในเรื่องของการแนะแนว เราใช้ัำว่าให้คําปรึกษาเอาดียวนี้บริการบริการปรึกษาในไรต่างๆเนี้ยบอกก็เปลี่ยนแล้วถามว่าท่านจะเปลี่ยนหรือเปล่ามันก็คำนะฮะคือคือเราติดในรูปแบบของถ้อยคํากันเราไม่นึกว่าคําว่าพุทธพจน์อ่ะพุทธพจน์นั้นมี8ป0 0 0นสี่พันนะเรียนกันตลอดชีวิตไม่จบไปใช้าคาเดียวคําของพระพุทธเจ้าแปลมันไม่จําเป็นจะต้องไปติดในถ้อยคำเรียงคำสองคาอะไรหรอ บางทีเราไปสร้างคำขึ้นมาใหม่ที่คนอื่นเขาไม่เคยชินอย่าทำให้เป็นอุปสรรคในการสื่อความหมายกันใช่ไหมอันี้เราพูดทัศนคติกันจนชินวันดีคืนดีกรมวิชาการหรือว่ารัฐบัณฑิตไม่ทราบเลเปลี่ยนเป็นเจตคติแต่เพิ่งงงงงฮะพูดกันอยู่ที่ตะบวงกับกระทรวงศึกษาไปไปผู้คุยสาบานเลยไม่เข้าใจกันมันไม่สาคัญที่ถ้อยคาเหล่านั้นแต่าสาคัญว่า ลักษณะของการใช้ถ้อยคำนี้เมื่อไปสู่ภาคปฏิบัติแล้วจะขยายตัวไปเองด้วยอาศัยท้อยคำที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือเหมือนกับกิเลสเราพุทธเจ้า ก, ก็ใช้โลบทัวเดียวเวลากระจายออกไปก็มากมายไกลก้องเราจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้แต่ว่าพอดึงกลับมามันก็อยู่ในสายโรบโกดตรงกล่าวแต่ก็ฐาวัตถุ ในที่นั้นมุ่งที่ว่าเวลามัความปชาพูดคนกันพวกอะไรการเรนธรรมสาษากัะฉาการสนทนาธรรมกันตามการการเลนธรรมสวสนางการฟังธรรมตามการ น, นะฮะก็มีลักษณะงั้นว่าเมื่อเราฟังไปแล้วจิตใจมันจะสงบขึ้นมันก็มีอยู่สิเรื่องนะฮะเรื่องที่ชักชวนให้เกิดความสังโดดเรื่องที่ชักชวนให้เกิดความมักน้อยเรื่องที่ชักชวนให้ยินดีพอใจในความสงบเอ่อ เรื่องที่ชักชวนให้ลีกเร่นออกจากหมู่คณะคือสงัดจากหมู่มักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่เกี่ยวก้องในหมู่แล้วก็เรื่องที่กระตุน้นเชิญชวนให้ปรารบความเพียนแล้วก็เรื่องที่ชักชวนกระตุ้นให้ทมศีลของตนสมาธิของตนปัญญาของตนวิมุติของตนวิมุตติยานัทัศนะของตนดีข้าข้อให้สมบูรณ หมายความว่าพูดก็ช่วยกันขัดกกาใจก็เรียกว่ากระถาวัตถุนั้นแนวหนึ่งนะฮะบางทีเราก็ยกขึ้นไปเป็นคุณธรรมบางทีก็เอาเป็นหลักในการใช้สนทนาปราศัยกันแต่ในที่นี้ทรงแสดงไว้เพียงสามชุดในตีการนิบาตเนี่ยคือว่าเวลาสนทนากับใครก็ตามถ้าหากว่าเรื่องที่ควรจะพูดให้ชัดเจนในประเด็นเดียวแล้วก็ไม่ยอมพูดเรียกว่าเอกังสะพยากร โดยบางครั้งก็ใช้ว่าเอกังสะพยากรณีก็แล้วแต่จะเรียกแหะคือการพยากรณ์ไปโดยส่วนเดียวในยะเดียวจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในตัวของสิ่งนั้น เ, เช่นสมมติว่าเราจะพูดถึงอะไรล่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในตัวของแก่ตอนั้นสามารถชี้ยืนยันได้แนวเดียวเรียกว่าเอกังสะพยากรณ์ หรือาการแส ด, แดงอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเอกังสะพยากรคือพยากรแนวนั้นนะอย่างนี้ทุกชีเลยแหละก็ไม่รู้เลยชาติชาที่ปีตุกขาจาราปีตุคามานำปีตุกขังก็อย่างนี้ทุกชีเลยเพราะชาติก็คือความเกิดก็ต้องเป็นทุกความแก่ก็ต้องเป็นทุกความตายก็ต้องเป็นทุกไม่มีความเกิดที่เป็นสุขไม่ว่าเกิดอะไรก็ตามถ้ายังเป็นความเกิดนะฮะส่วนที่ว่า เรากำหนดว่าเป็นสุขเพียงแต่เป็นเรื่องของความทุกน้อยลงเท่านั้นเองหรือว่าส่งแสดงว่าคนที่เป็นภาคของตันหาจะประสบความเดือดร้อนมันก็พยากรณ์ไปโดยส่วนเดียวแหละแต่จะร้อนมากหรือร้อนน้อยนั้นก็มีอีกเรื่องหนึ่งแต่แน่นอนก็คือเดือดร้อนเรื่องใบยมุกเป็นทางของความเสื่อมอย่างนี้เป็นการชี้ประเด็นชัดลงไปเลยแล้วก็เสื่อมแน่จะเสื่อมมากหรือเสื่อมน้อยก็ไม่รู้ว่าขโมยว่าหนอบยมุกมากหรือน้อยแต่ที่เสื่อมนั้นคือเสื่อมจริง หรือผู้มันขยันย่อมหาทรัพได้หาทรัพได้จริงๆหรือว่าเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกอย่างเงี้ยเราก็แชร์ชี้ประเด็นได้ประเด็นเดียวจะเป็นอย่างนั้นทุกทีอ่ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงสังคมจะเปลี่ยนแปลงคนจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าหลักธรรมนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะคนในส่วนใดของโลกก็ตามก็ต้องมีความหมั่นขยันต้องงดเว้เอาบาัยามุขถ้าจะอยู่ให้ได้ อีกแนวหนึ่งนั้นทรงใช้คำว่าข้อความที่ควรจำแนกแบ่งแยกแล้วไม่พูดจำแนกแบ่งแยกพูดคลุมคลุมมาพูดคลุมคุ ม, ค ม, มาบางทีตั้งปัญหานี่เราก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะก็ถามคลุมคุ ม, คม เ, เช่นสมมติว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะฮะก็อาจจะถามเราว่ารูปเออเอเ อ, เ อ, เ อ, เอรูปกับสัญญาไอา้รูปกับสัญญานี่มั น, ม, นมันห่างกันมากไปอาเวทนากับสัญญา เอาเวทนากับสัญญานี่ต่างกันหรือเหมือนกันเราก็ต้องถามว่าคุณถามในฐานะอะไรถ้าคุณถามในฐานะที่เป็นขันก็เป็นขันเหมือนกันถ้าถามในลักษณะของอาการของอาการไม่เหมือนกันเพราะว่าสัญญานั้นจํำเวทนาสวยอารมณ์แต่ถามถึงสภาวะมันก็ตกในใจรักเหมือนกันเขาต้องถามให้ชัดนะไม่งั้นเราตอบไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเขาถามให้ชัดเราต้องจําแนกตอบ ปเป็นเจ้าพรีผรำมตอบไม่ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านชื่อทันสมิทธิลนานนะรู้สึกจะเคยล่าใหควังทีหนึ่งคือเขาถามว่าเมื่อบุคคลเห็นรูปเนี่ยมันจะเกิดเวทนาอะไรท่านก็ตอบว่าเกิดสุขเวทนาเวลามากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพลงไปโดยไม่คิดนคุณนะ่ะมันเห็นรูปไม่รู้รูปอะไรอะ รูปอะไรรูปคนที่เป็นศัตรูเราก็ได้รูปผีหลอกก็ได้ไม่รู้รูปอะไรเพราะมันต้องแยกให้ชัดเจนว่ารูปอะไรจึงจะเกิดเป็นเบทนาอะไรและตัวการต้องการว่าเรากำหนดรูปนั้นอย่างไรนี่คือต้องแยกเลยประเด็นต่างๆเราเจอพบว่าอย่างในการสั่งสอนธรรมะหรือการอธิบายธรรมะของเราก็เหมือนกัน คือคือเราจะเอาอะไรมาพูดพืด่อเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะงะั้นเราต้องบีบไปบีบประเด็นไว้ เ, เช่นเราจะพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสุญญาตาเท่านั้นไม่สอนเรื่องอื่นเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ไปคลุมไปอย่างงั้นไม่ได้แล้ว อ, อธิบายแนวไหนไม่ได้ตั้งแนวนั้นเพราะจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแนวเดียวเป็นอนเนกปริยายกันนยิยต่างๆ บางอย่างก็สอนให้ให้สร้างสมเนียบางอย่างสอนให้สะสมช า, ชาวชาบ้านได้สอนให้สะสมทรัพย์เหมือนจอมปลวกเหมือนจอมปลวกสะสมทรัพย์แล้จชาวบ้านต้องรับผิดชอบครอบครัวเลี้ยงดูสั่งวงศกุลในตัวไรเนี่ยไปสอนให้ปล่อยวางหมดเลยก็จบแต่ว่าอะไรที่ควรจะวางอะไรควรยึดมันก็วางยึดกันในสัดส่วนที่พอสมควรหรือไม่จะพอยึดทั้งหมดหรือวางทั้งหมดแต่เมื่อจิตใจได้มีการสำรอกราคะออกไปก็จะปล่ปอยวางไปเอง เมื่อปล่อยวางไปเองหมายความว่าคนที่ไม่มีปัญหาก็คือคนที่ไม่มีปัญหาคนที่มีปัญหาคนเหล่านี้ก็ต้องช่วยแก้ปัญหาให้ได้หรือไม่แต่ในกรณีอื่นเช่นถามาคนเราตายแล้วเกิดหมายอย่างเงี้ยตอบดยโดยไม่ได้เหมือนกันนะไม่รู้ถามถึงใครก็ต้องแยกให้ชัดออกไปว่าใครเป็นคนตายเพราะคนตายไม่แน่่าจะต้องเกิดเสมอไป บางคนที่มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็กเกิดคนไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ไม่เกิดแต่ถามว่าคนคนเราตายแล้วไปไหนนะฮะมาขึ้นอยู่กับใครตายกันคนนั้นมีบุญมีบาปยังไงสร้างส ม, มัยกิเลสหนาบางขนาดไหนถ้าหากว่าไม่ชัดเจนประเด็นไม่ชัดนะฮะมันก็ต้องจับหลักอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าอธรรมย่อมนาไปสู่ทุกขติธรรมย่อมนาไปสู่สุขติ เพราะเรากำหนดเรื่อว่าแกมีธ ร, รมมาหรือมีอาธรรมมากแต่ทุกติสุกติอะไรนั้นเป็นรายละเอียดเกินไปเราไม่มียานรู้ขนาดนั้นต้องเอาให้ถวายพระพุทธเจ้าก็ต้องยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าว่าเอาไว้และที่สําคัญก็คือว่าเราไม่รู้ว่าตอนกระดับจิตกระดับด้วยอารมณ์ยังไงคือคนบางทีอาจจะทําความดีแต่ดับจิต ด, ด้วยอกุศลก็ได้ทําความชั่วมาเกิดกุศลแล้จิตก่อนดับจิตก่อนดับจิตก็ได้ก็ไม่แน่แล้วก็หลักอื่น จำแนกได้หมาหลักอื่นเถ้าจิตผ่องแผ้วก็ไปบังเกิดในสุคติถ้าจิ ต, นน ต, จตคุณมัวเศร้าหมองก็ไปเกิดในทุคติเอสุคติตรงไหนทุคติตรงไหนนั้นรายละเอียดมากไปเราไม่รู้ขนาดนั้นแต่ว่าหลักอย่างนี้เป็นหลักที่ตายตัวตัวพระพุทธเจ้านั้นทรงบอกได้ทรงจำแนกได้เป็นพบเป็นชาติสถานที่อุบัติไดร้รายละเอียดเพราะพระองค์มีประญาณเราไม่มีอย่างขนาดนั้นแต่ก็หลักมัก็เป็นอย่างนี้แต่สรุปว่ต้องจำแนกแต่จะพูดคลุมคลุมไม่ได้นะ พูดคลุมคุมไม่ได้อย่างว่าพระพุทธเจ้าเราเลิ่อกว่าคนทั้งปวงเราไม่ได้เลิ่ทุกกรณีนะเราไม่ได้ย ก, กว่าเลิ่อทุกกรณีบางการณีคนอื่นก็เลิ่กว่าก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าในด้านปัญญาด้านความบริสุทธิ์ด้านความกรุณาแล้วไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าส่วนชวนอย่างอื่นเขาอาจจะเช่นเช่นว่ามีลาบมากอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็สู้ภาษีวรีไม่ได้ภาษีวลีไปไหนคนตามตักบาทกันเต็มขนาดว่า พระตามสเสด็จพระพุทธเจ้า500อยองนี่พระศรีวลีไปองคเดียวช่วยเลี้ยงพระได้ทั้งหมดเพราะฉั้นท่าสายนั้นก็พระศรีวลีท่านเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ถ้าสาอย่างนี้นะคือในด้านพระปัญญาพระกรุณาพระบริสุทธิ์แลเนี่ยไม่มีใครเสมอเหมือนเราต้องมีประเด็นแยกให้ชัดนะดงนั้นคล้ายๆกับว่าเรายกพระพุทธเจ้าเราไปข่มคนอื่นหมดเราก็ไม่ต้องการใหญ่เราในด้านอื่นนะก็ไม่ได้ดีวิเศษอะไรแต่ว่า3ด้านนี้มันแสดงถึงความสูงสุดของมนุษยนะ์ พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้สูงสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเพราะเลิศ ด, ด้วยปัญญาความบริสุทธิ์และความกรุนานี่เราก็ต้องแบ่งแยกทีนี้ปัญหาบางอย่างนี่ควรจะถามขึ้นมาตั้งประเด็นเนี่ยว่าปฏิบัตาอภัยกรท่านทั้งหลายจะพบหลักอย่างหนึ่งในพระไตรปิฎกนี้เห็นได้ชัดมากเลยพระพุทธเจ้าเวลาจะสนท น, นากับพวกหัวหมอทั้งหลายอย่างที่เคยยกตัวอย่างสัจจะนิครมาในพุทธชัยมงคลคาทานะฮะ พระพุทธเจ้าจะไม่อธิบายเลยจะไม่อธิบายเลยแล้วจะใช้ข้อมูลทั้งหมดของเขานั้นถามเขาและในที่สุดพระองค์จะตลบเอาของเขานะั้นตลบเขาอีกทีนึงโดยให้เขาจำน้นเองในกรณีที่ก็ด่างรันด้วยทิฐิความถือดีความอวดดี อ, ดด อ, ะ อ, อะไรต่างๆจะถามให้เขาคิดเองถ้าเราคืนไปอธิบายพวกนี้บุหารแย่เลยบุหันแยะแกพูดฉอดๆเราเอาแกไม่ทนัน ต้องถามให้แกพูดเสียให้เกตเลยแล้วเราก็คอยจังหวะที่จะจับประเด็นเหล่านั้นมาถามแก่ให้เกิดความเข้าใจนี่คือแนวการพูดการแสดงแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรื่องควรจะตั้งประเด็นถามอธิบายไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้นะคลุมไปหมดเลยประเด็นไม่ชัดมีเรื่องบางเรื่องที่พูดไปก็เท่า น, นั้นเองไม่ได้อะไรขึ้นมาอย่างเรามีคราบหนึ่ง หนังสือรู้สึกจะมาตั้งแตาปีมานี้นะฮะในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเอาให้เด็กมาเรียนอันตรายกาทิฏที่สมาไปเห็นก็ตกใจเลยตายเลยนะเรียนอันตรายกาทิฏที่สิบเเป็นมิจฉาทิฏเอาดื้ อ, อ, อเยเรียนไม่ได้เพราะอะไรเพราะพื้นฐานทางความรู้ในด้านพุทธปริญญาหรือปริญญาของพระไม่มากพอแล้วขึ้นไปเรียนตรงนี้ไม่ได้มันเป็นการวิเคราะห์นิดเดียวแต่นั้นเองนะ แล้วเราไปเรียนโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดจีบอันนั้นตรีระอันนั้นจีบอันอื่นตรีระอนนื่นๆครูที่สอนเด็กเข้าใจปะครูเองยังไม่เข้าใจมันเป็นอภิปรัยญาฮนะเป็นระดับอภิปรัญายก็ เ, เรียกอัจฉริธรรมวิทยาสมัยโบราณถ้าเราจะพูดเราต้องพูดในแง่ของปัจจัยาการเอาปัจจัยาการมาอธิบายนะแล้วอธิบายทันไหมเปล่าปัจจัยาการเนี่ยปัจจัยาการอธิบายห้ชั่วโมงไม่ทันนะฮะ จะมาคนพื้นฐานทั่วไปบางทีต้องใช้เวลาตั้ง4ี่หวันตึ้งอธิบายกันได้ค่อยๆว่าค่อยๆ ย, ย, ยกตัวอย่างตะล่อมกระไม้ไปในแต่ละประเด็นเนี่ยจงเกิดความเข้าใจเนี่ยเอาเพียงแต่อธิบายเนี่ยมาใช้เวลา10ปีนะจะพราะับจั ย, จจยาการเนี่ยคนศึกษาสอบถามเก็บข้อมูลมันอธิบายไม่ได้มันชนอยู่แถวตรงนั้นแหละแถวนา ม, มารูปอนะ่ะแต่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนา ม, มารูปมันชนอยู่ตรงนี้ติดทุกทีเลยไปไม่ได้เดินไม่ได้ตลอดกระบวนอธิบายไม่ได้ พระเทรซาบางองค์ท่านอายุตั้ง80ิแล้วตั้งแต่บวชมาไม่เคยเทศปัะจัยการตั้งแต่ทเขียนตำหนักตำนาไว้เป็นเป็นกองกอง่ะแต่ท่านไม่กล้าเทศเพราะพระพุทธเจ้าใช้เวลาพิจารณาตั้ง7วันขนาดจัดสรู้แล้วอ่ะพิจารณาตั้งเจ็ดวันจึงเห็นมันได้พิจารณาเจวันตลอดระยะเวลาที่ประทับอยู่ที่นั่นแหละต้นต้นต้นโพอ่ะหลังจากจัสรู้พิจารณาเนี่ยปฏิจจสมบัทเนี่ยสิบสองหัวข้อเนี่ย กลับไปกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับมาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ดันั้นสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าต้องหยุดไว้ก่อนรอไว้ก่อนให้แกโตก่อนใชพูดกันมาหลังซึ่งบางทีคนเหล่านี้ถ้าแกยังไม่มีพื้นความรู้เราก็ไม่พูดเลยก็ได้ข้อสำคัญว่าในกรณีนี้ถ้าพูดไปแล้วจะห่างตัวออกไปทุกทีไม่ได้ช่วยอะไรเวลาเราไม่ได้มีมากพอที่จะไปเล่นอย่างนั้น พระเจาจึงจะหักประเด็นเข้ามาวิเคราะห์ที่ตัวเองพูดถึงเรื่องทุกข์เหตุได้เกิดทุกความดับทุกนี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาเร่งด่วนทรงสอนว่ามันเหมือนกับคนถูกยิงโดยลูกศอนลูกไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้บ้านเนี่ยจะถามเพื่อนกำลังจะมาช่วยดับไฟถามว่าต้องต้อ ง, ต, องต้องดูก่อนใครมันเป็นม า, มาจุดทำไมจึงจุดจุดเพราะเหตุอะไรจุดด้วยเรื่องอะไรปฏิไม่หมดเลยปฏิลึกนะมันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้น นั่นก็ต้องหักเข้ามาหาเป้าที่มันจริงๆนะที่เป็นประโยชน์แกเราจริงๆ จ, จะไปสูญเสียเวลาไปรับรู้เรื่องเราอื่นเข้าห่างตัวเองออกไปทุกทีแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุได้เกิดทุกข์คืออะไรความดทุกข์มันดียังไงปฏิบัติยังไงจึงจะดับทุกข์นี่แล้วก็หักประเด็นมาอันนั้นเราก็ทิ้งออกไปเลยเสียเวลานะมีเรื่องเยอะที่เราพูดแล้วเสียเวลากล่าทีนี้ ปัญหาเหล่านี้ถ้าหากว่าใครก็ตามพูดนะพูดแล้วแสดงไปตามตงควรแก่กรณีนั้นในแง่ของการสนทนาก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันที่ได้ผลในแง่ของการฟังเราก็ฟังและเราเกิดความเข้าใจแล้วในแง่ของการซักถามนะฮะเราตั้งประเด็นขึ้นมาถามได้ตลอดทาให้ประเด็นนั้นกระจ่างทุกทุกประเด็นได้ แต่แม้แต่การอภิปรายเป็นแนวเดียวเราก็ถามต่อไปจากจุดนั้นไปเรื่อยๆประเด็นมันก็ชัดหรือว่าในกรณีที่จะแยกก็ลองให้แยกดูนะฮะเราก็จะเห็นประเด็นต่างๆได้ชัดเหมือนกันถ้าปล่อยให้คลุมคุมกันหมดคือตอบแนวเดียวตลอดหรือว่าบางทีเขาเรียกว่าอะไรคือว่าพูดพูดพูดไปอยู่กับร่องกระลอยนะฮะพูดไปอยู่กับร่องกัะรอยพูดไปเรื่องหนึ่งลากประเด็นไปเรื่องหนึ่ง ในปัญหาทางวินัยนั้นพระพุทธเจ้าห้ามเป็นวินัยเลยนะอย่างพระก็ถามเรื่องตอบเรื่องานนี้ปรับอวบัดเลยนะแล้วก็เพื่อให้ป้องกันคนในแบบนี้มากมามีวินยัยภิกษุณีอยู่ข้อนึงภิกษุณีจะถามปัญหาภิกษุเนี่ยต้องบอกก่อนจะถามเรื่องอะไรถามเรื่องประสูทธ์ถามเรื่องพระวินยัยถามเรื่องอภิธรรมบอกมาให้ชัดแล้วจะเตรียมคนตอบเมื่อบอกว่าจะถามเรื่องวินัยมาถามประสูไม่ได้ถามประศุทไม่ได้ เพอะไรเพราะคนบางทีเนี่ยแกถามแกเกิดทึกเขิมแกต้องการจะลองดีนะแกต้องการจะหักหน้าคนบางทีพระไม่ได้เตรียมตั้งหลักเอาไว้นะเพราะว่าในสมัยนั้นเราจะลืมว่าการเรียนมันค่อยๆเพิ่มขึ้นกระถุ่นเพิ่มเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่ว่ามีครบอย่างในสมัยปัจจุบันบางเรื่องแกยังไม่เคยได้ยินมานะพระพุทธเจ้ายังไม่เคยแสดงไปตอบได้ไงก็ต้องต้องบีบเอาไว้เพื่อไม่ให้เรื่องมันนอกประเด็นแล้วก็เกิดความแตกแยก ให้เราสังเกตว่าเป็นเรื่องที่น่าน่าสังเกต น, น่าแปลกนะฮะธรรมะทำมวยเวลาคุยคนคุยธรรมะทำไมมันชักมักจะโกรธกันไหมลูกนี่เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้พูดตามประเด็นนั้นนั้นหนึ่งสองสามหรือเรื่องที่ไม่ควรพูดก็ามาพูดอ่ะในสุดก็กลายเป็นการทะเลาะกันด้วยการแตกแยกกันในวงธรรมะที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือว่า เราจะต้องแยกระหว่างพยัญชนะกับเนื้อหาให้ได้นะพยัญชนะกับอัถะให้ได้ตรงนี้ในหมู่ในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่เลยเกินนะเป็นเรื่องแปลกว่าเราพูดเรื่องเดียวกันแท้แต่ว่าใช้คําคนละอย่างกันนั้นเองเทียงกันอยู่ได้เทียงกันอยู่ได้เหมือนกัเมือนก็พูดเรื่องอะลูกฝรั่งในีไ้ลูกฝรังฝร่งลูกหมากเสียดาลูกไอ้ยาหมูอะไรนี่นะแล้วก็นั่งเทียงกันอย่างนี้ ที่จึงเราพูดกันต้นไม้ผลไม้ชนิดเดียวกันปัญหาเหล่านี้เป็นการมองปัญหากันด้วยอาศัยถ้อยคําแสดงเห็นว่าคนนั้นไม่เข้าใจตัวเนื้อหาถ้าเราเข้าใจเนื้อหาแล้วเนี่ยอย่งย่งยกตัวอย่างในกุกนศลขบถสิทธบที่ท่านเคยชินเนี่ยตัวเนื้อหาจริงๆนะอ้ น, นั่นในกิ่งมันเฉยๆตัวเนื้อหาจริงอยู่ที่สัมมาทิฏฐิตัวล่างนั่นเนอะ ถ้าลองว่าเรามีสมาธิิข้อเดียวอีก9้าข้อที่จริงอ่ะยี่5ิบ้าสิข้อเขาไม่ต้องไปนับนะ <clauses. S 1> em, ode, เกิดเองเพราะนั้นเกิดมาเองไม่ต้องไปเฉียงกันว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถ้าในเชิงปฏิบัติแล้วเราไม่มีมากนะปริยัติแต่นั้นเองมากปฏิบัติไม่ต้องมากเพราะส่วนหนึ่งนั้นทําทั้งหลายมันเกิดจากเหตุเพราะสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดมันทยอยกันอย่างนี้มันเหมือนอะไรเหมือนต้นไม้เหมือนต้นไม้นะฮะดูแบบธรรมชาติเลยเหมือน้นไเหําลี่ย เพราะต้นไม้ต้นเล็กนี่เกิดกิ่งไม้เกิดเพราะกิ่งไม้เกิดไอ้กิ่งเล็กเกิดกิ่งเล็กเกิดใบเกิดใบเกิดดอกเกิดดอกเกิดผลเกิดมันก็เกิดทยอยกันปลูกต้นไม้ต้นเดียวต้นไม้ต้นเดียวเท่านั้นเองเอาจริงๆนั้นคือธรรมชาติตะนั้นการนองธรรมะต้องมองให้เข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจโดยเนื้อหาของมันของของธรรมะหรือโดยอัฏฐนะศาสตร์ถังสัพยัญชนะอย่าลืมจีเดียวตรงนี้ที่สวดๆนี่อย่าลืมเอาไปใช้จีเดียวาสัร์ังสัพยัญชนะนะมีตัวสำคัญมั่งสมบูรณ์ด้วยอัฏฐและพยัญชนะ ถ้าเราเข้าใจโดยพยัญชนะสมมติว่าเนี่ยมีคราวหนึ่งเคยไปตรวนักธรรมนะตอนนี้มาไม่ค่อยไปตัวจนักธรรมไปตรวจเราไปทะเลาะกันเรื่อยเล ย, ยเพราะเขาไม่เข้าใจวันหนึ่งนักเรียนตอบก็ถามปัญหาว่าพระพุทธศาสนาเข้าสู่สุวรรณภูมิครั้งแรกโดยการนําของใครสุวรรณภูมิในปัจจุบันอยู่ที่ไหนนักเรียนที่ไหนไมันก็ตอบแกตอบว่าพระโสดุตระ พระโสนุตระนำมาสู่สวรภูมิสุวรภูมิในปัจจุบันคือนครปฐมก็มาการแกหักให้เพื่อนเหลือสามนั่นเองเอามาบอกคุณหักตรงไหนเนี่ยแกบอกว่าพระโสนากับพระอุตระเอามาว่าโสนุตระแล้วไม่จะโสนาอุตระเเน้นนะคำจีกัสนทิภาษาบาลีได้เนี่ยถ้าให้คะแนนห0ได้เราให้50เลย นี่ก็ให้กําหนดว่ให้ส0บคะแนนเราก็ให้ได้สิบคะแนนนี่แสดงว่าเราติดว่าต้องโสนะพระโสนะพระอุตระถ้าเรียกว่าโพระพระอุตระพระโสนะก็คงยังไม่ได้เพราะก็เรียกพระโสนะไว้ข้างหน้าหรือพอสนุตระเป็นสนทีก็มาไม่ได้อีกแล้โอ้โหนี้ไม่ไหวะติดพยัญชนะติดพยัญชนะเกิดไปโดยเนื้อหาแล้วก็คือสององค์นั้นแหละไม่มีอะไรผิดเลยเราให้สิบเต็มเปลี่ยนได้เลยนะฮะนี่ถ้าเราเข้าใจโดยเนื้อหา มีคราวหนึ่งนี่ก็พูดไรก็ถามอะไรเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายไอนี่ก็เฉียงกันจ้างเหมือนกันในที่สอบเอามารับอาสาให้เองหมดเลยเพราะว่าคนก็ไม่กล้าให้เอามาให้เองเลย<ม>เอามาข้อนี้รับรอให้เองหมดพระพุทธเจ้าทรงสแสดงนะฮะวิราโกเศธโทรธรรมานางังวิราคะเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายท่านก็ต้องวิราคะทุกเทีอะวิราคะมันคืออะไรเหรอเราต้องเข้าใจอีกทีหนึ่งว่าวิราคะคืออะไรวิราคะคือนิพพาน นิพพานคืออะไรนิพพานคือวิมุตต์วิมุตต์คืออะไรวิมุตต์คือวิสุทธ์วิสุทธ์คืออะไรวิสุทธ์คือสันติโอ๋มันนิพพานนะตั้ง40กว่าคํานะนิพพานนี่เรียกอะ่ะไม่จะเรียกคําเดียวอะไรเราเรียกตั้ง40กว่าคําเพราะนิพพานนั้นมันเป็นเป็นไม่ใช่สมมุติบัญญตัติมันพ้นสมมติบัญญตัติอธิบายด้วยภาษาไม่ได้เพราะเป็นปัจจต่างเวทิตาโบวิโยหิตนะวิโยชนจะพึงรู้จะพอตนแต่พระพุทธเจ้าต้องพูดนะต้องแสดงก็แสดงไม่รู้จะเอายังไงก็ต้องเอาอะไรที่่ชาาวบ้นคุ เรคุ้นๆเรียกว่านิพานแปลว่าดับดับเย็นดับเย็นดับสนิทมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับอาหารที่มันเย็นดีแล้วนะกินได้แล้วโรกไฟที่ดับสนิทแล้วไม่ต้องกลัวมันจะไหม้แล้วนะก็ดูอาศัยรูปธรรมใช้เอาเอาสันติสงบมันก็เราๆต่นนั้นเองสงบในโลกมันจะเหมือนนิพานได้ไงเป็นเราๆความแต่ไม่รู้จะเอาอะไรมาอธิบายนะนิพานะพระเจ้าก็เรียกไปเรื่อยวิราคะแปลว่าจิตที่ปราศจากราคะ ว่ให้ดูที่ว่าจิตเป็นราธลยากราคะมันสงบเย็นยังไงบ้างที่จริงไม่มีมนุษย์ไหนที่สัมผัสนิพานได้สมบูรณ์นะแต่เราสัมผัสได้ในชั้นหนึ่งเพบางครั้งจิตเราไม่มีราคะอยู่เลเราก็ไม่เล่าร้อนไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะอย่างวันก่อ น, นมีโยมก็โทรมาเล่าทังคนหนุ่มคนหนึ่งก็เริ่มสนใจธรรมะโดยการอ่านหนังสือเนี่ยสองสิ่งสงสัยเนี่ยทำงานเวรแบงค์เกศซึ่งในศาสนา วันเกิดของพัญญาในนั่งคุยธรรมะจากหนังสือเล่ม น, นี้กับโยมคนนั้น3มชั่วโมงไม่ไปยุ่งอะไรเลย <laughs> นี่เราจะเห็นว่าเราอยู่นอกวงเลยทางที่เราอยู่ในวงใจเราออกมานอกวงเลยเขาสนุกก็ดื่มเหล้าเขาเต้นรําเขาหัวเราะสนุกสนานไม่ตัวเองมาอยู่กับธรรมะแล้วก็นั่งคุยอยู่ในวงนั้น่ะก็เดินเขาก็ยุ่งไปเขาก็อยู่เฉพาะในวงนี้คุยกันในเรื่องหนังสือสองสิ่งสงสัยนี่แสดงให้เห็นว่าบางโอกาสที่มีเยอะที่เราสัมผัสได้ ดังนั้นถ้าจะเต็มรูปรอะเต็มรูปไม่รู้ต้องปฏิบัติไปเอาเอากันเบาๆตัวเนี้ยลองดูตรงนี้กันก่อนว่าสง บ, ม, งบงาามันเป็นยังไงบ้างปราศจากราคะมันเป็นยังไงบ้างปราศจากโมหะดับตันหากหมดอวิชชาเนี่ยมันเป็นนิพพานทั้งนั้นนะตันหักขโย و, วิราโกนิโรธโนิบนานังเยอะายไปนิโรธแปลว่าปราศจากสิ่งเสียดแทงมีไหมคนธรรมดาที่ว่าสัมผัสนิพพานเต็มรูปปราศจากสิ่งเสียดแทงเต็มรูปเรเ ร, เราสัมผัสไม่ได้ แต่เรารู้ว่าแมแต่ก้างเสียดฟันเนี่เราก็เห็นรู้แล้วนะฮะมันปวดขนาดไหนก็ดึงออกมันก็หายปวดนั่นคือปราศจากสิ่งเสียดแทงน้ําตามเท้านั่นคือสิ่งเสศษแทงกิเลสมันแทงใจมันเหมือนกันเราก็ถอดน้ําออกมันก็หายเครื่องเียดแทงอะไรก็ตามนะฮะลองดูว่ามันเสียดแทงอะไรที่เสศษแทงถูกต้ำตําถูกมีดบาดถูกโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนมันก็เสศษแทงั้นนั้นทีนี้สภาวะมันตรงกันข้ามกับสิงนั้นดีไหม ดีไหมหรือมันเหมือนอะไรนะฮะปราศจากหัวฝีเราปวดฝีเต็มที่นะอั น, นิพานเหมือนก็นไม่มีหัวฝีอะมันก็ไม่ปวดแต่ว่าไม่ใช่เต็มที่นะะเต็มที่อธิบายไม่ได้อันนิพานพระพุทธเจ้าเลายใช้คําทั้งสี่สิบกว่าคําแล้วเรามาเถียงกันทำไมอะไรก็ได้นะฮะแม้แต่ความไม่ประมาทอ ป, ปมาโดเตสังอักกมคาจชขาดยติความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายมันก็ความไม่ประมาทมันก็กเป็นยอดธรรมแล้วะ ทนี้นิพานนั้นเราจะเห็นว่าวิราคา้าคือตัวเยียรกับสติสมบูรณ์นเพราะฉะนั้นถ้าแกบอกกับสติที่สมบูรณ์เป็นยอดแห่งธรรมก็ถูกต้องหรือแกว่าปัญญาเป็นยอดแห่งธรรมก็ถูกต้องนะปัญญามันก็เป็นเหตุอ่า ว, วิมุติเป็นยอดแห่งธรรมก็ถูกต้องเป็นผลนี่คือแสดงมาถ้าเราเข้าใจแล้วไม่มีโอกาสทะเลาะ ก, กันนะดังนั้นก็มีหละัะพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าตถาคตไม่ทะเลาะ ก, กับโลกมีแต่โลกไม่ทะเลาะ ก, กับตถ า, าคตเลยพระพุทธเจ้าไม่ทะเลาะ ก, กับใคร พระพุทธเจ้ารู้แจ้งธรรมทั้งหลายไม่ติดตัวพยัญชนะการสมมติบัญญัติกันพระสมัยพุทธกาลเนี่ยไปเถียงเรื่องบาตรนะในอินเดียอย่าลืมภาษามันแยะคนไม่รู้จะกี่เผ่าบาตรเนี่ยบางแห่งเรียกว่าปัตตะบางแห่งเรียกว่าธารณะบางแห่งบางแห่งเรียกว่าทารีอ้เป็นเยอะแยะไปหมดเลยพระเจ้าบอกจะไปติดใจพยัญชนะสากายะนิรุตติยาภาษาของตนน่ะเรียนอย่างจะไงก็ได้มันบาตรก็แล้วกันน่ยนะ คือพลาดไปเดาเทียนกันอ่ะเฮ้ยไม่ได้ต้องเรียกอย่างนี้อันนี้ว่าต้องเรียกอย่างเนี้ยนี่คือเราจะเห็นว่าเราเสียเวลามาเล่นเรื่องนี้อยู่เยอะเลยนะมาต้องไม่ได้ต้องทําอย่างนี้ก่อนต้องทําอย่างนั้นก่อนอ๋อบางทีอพิธีไปในงานแห่งหนึ่งวันก่อนนี่ก็ขำจะไหวอะไรนะทําไอ้น้ำมนนะฮะหลวงพ่อท่านบอกว่าน้ำมนยัไม่ได้นะต้องเอาเทียนต้องเอาเทียนไอ้เทียนเตียงขี้ผึ้งอ่ะหนักหนึ่งบาทนะฮะแล้วน้ําต้องเป็นน้ํารองแกงหาว ถามหลวงพอ่อมันมีตํานาที่ไหนเราหลวลงพ่อทําอย่างงั้นในชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะนมันไม่ตกกระทาไงเอาน้ําที่ไหนมาทําน้ำมันของหลวงพ่อล่ะน้ําอะไรก็ได้เทียนท่าไหรก็ได้เราไปยั่วยเขาเอาเทียนขี้พึ่งนะไปยั่วยคนก็ฆ่าพึ่งอะ่ะเทียนอะไรก็ทำํำมาสำเร็จประโยชน์อ่ะไม่ไม่มีหรอกในพระพุทธศาสนาไม่มีแต่ เ, เราไปแต่ติดนะมีผู้ใหญ่สมเด็จร้อนนะ พระไปเทศสอนประชาชนในหมู่บ้านชาวประมงไปเทศสอนเรื่องโทษปานาติบาตตรงนั้นรคบกไหมกูสงสัยอะไรดุใจเลยเอ้คุณมันเป็นยังไงคุณจะให้เขาทำมากินอะไรทําไมคุณไม่เอาเรื่องอื่นไปสอนแล้วไปพู ด, ด่ะเออมีธรรมะอะไปทำไมจะต้องพูดอย่างเงี้ยคุณจะให้คนเลิกทํำมากินได้ไงแล้วเขาจะกินอะไรมีในที่แห่งเนี้ย น, นะพระไปเนี่ยไปเทศอย่างเงี้ย รุ่งเช้าโยมหุงข้าวแล้ว เ, เกลือใส่ข้างจานมาะไว้หายโง่ไปเลยแกก็งงนั่นนั่งรอคอยกับข้าวมาเห็นมาสักทีหนึ่งแล้วก็ถามเขาก็บอกว่าก็ท่านมาฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นบาปบาราติบาศก็เลยไม่ทราบจะ อ, อะไรมันถวายกันที่มนต์ฉางก็เกลือไปก็แล้วกันคือนี่กิคือเราจะเห็นว่าเราติดเกินไปนะทําไมเราธรรมะเขาอื่นเยอะแยะไปทําไมไม่สอนเขาอะ่ะเขาไม่พูดเราเรื่องอย่างนั้นฮนะ เราต้องหาวิธีให้ก่อนวิธีช่วยเขาให้หลุดพ้นแก้ปัญหาในช่วงนี้ให้ได้ก่อนไม่ใช่ว่านิ่งๆจะไปสอนให้เขาเลิกไปทุบหม้อข้าวเขาได้ยังไงอ่ะเขเลี้ยงต้องเลี้ยงดูครอบครัวบุตรบริวารนี่นะเราต้องพูดเรื่องอื่นไปนะฮะอย่ามีอาทินนาทานาการเมรดมีเยอะไปกับศีลเนี่ยสมมตนะิจะเอาศีลนะจ้าศีลโดยไม่ต้องเกี่ยวเกาะกับอะไรกับกับกับารปิบาตเล ย, เ, ยเราก็เทศได้ทั้งหลายกันไม่กลัวอนะไรนี่คือการติดพยัญชนะของสิ่งเหล่านั้น ไม่มีการจําแนกแยกแยะเนี่ยหลักการใหญ่ๆในเรื่องนี้สี่สูตรนี้จึงถือว่าเป็นสูตรใหญ่นะในการสอนของพระพุทธเจ้าจะยากย้ายเปลี่ยนแปลงไปตลอดเลยไม่ใช่ว่าจะต้องพูดแนวใดแนวหนึ่งเพราะว่าปัญหาลักษณะของปัญหามัเหมือนกันนะแต่เราจะปฏิบอธิบายแนวเนี้ยแก้ก็ไม่ได้บางทีมันก็ต้องหยิกแกให้เจ็บเลยนะแกชอบรังแกคนอื่นเราต้องลองหยิกแกให้เจ็บเลยไปถามด้วยเจ็บไหม เจ็บไหมนะเพื่อใแกเกิดความเข้าใจว่าเวลารังแ ก, กคนอื่นนะเพื่อนก็เจ็บด้วยต้องอาศัยวิธีถามให้ตอบแล้วเราก็สร้างอะไรขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คือวิธีวิธีในการพูดในการอธิบายบางทีบางทีพูดกันตั้งนานไม่เข้าใจครับกต็ต้องอาศัยอะไรขึ้นมาแล้วเพื่อถามแกอีกทีหนึ่งแล้วก็ดึงข้าไปสู่ประเด็นที่เราต้องการจะพูดกับแกทีนี้คนอีกประเภทหนึ่งที่ว่าเรวกว่าพูดไม่อยู่กับ กระองกระลอยอย่างที่ว่าเนี่ยพูดมาอยู่กร็ระองกระล อ, อยก็ถามอย่างพูดอย่างหนึ่งมีพระชันนะคนที่ตามสเสด็จพระพุทธเจ้านั่นแหละพระชันนะนี่ท่านตีตัวรวนเพื่อนตลอดและก็ถือว่าลูกน้องใกล้ชิดอะเวลาท่านมีปัญหาอะไรพระเรียกไปสอบถามท่านต่ออีกเรื่องหนึ่งมีพระตกากถาจารย์เล่าเอ๊อเออขาว่าคุณไปทําผิด ครับคบผมไปเมืองนาวารีมาไปเรื่องนึงไปเรื่องนึงเลยบอกไม่เกี่ยวแล้วคุณคุณจะไปที่ไหนไม่ไม่เกี่ยวปัญหาว่าคุณทําผิดครับไปที่นั้นได้ฉันอาหารปลามองไม่ได้เกี่ยวปลาก็ไม่ได้เกี่ยวเขาถามว่าคุณทําผิดหรือเปล่าบุญเลยท้องเสียเลยครับเลยฉันแล้วท้องเสียเลยไปเรื่องนั่นเลยพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่รู้เรื่องแกไปอีกเรื่องหนึ่งก็ถามอีกเรื่องแกไปอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เรียกว่าพูดถลักถลายอ่ะไปเร่ประเด็นมันก็ห่างออกไปทุกที ดังนั้นในวิ น, ยนัยในวางเลยปรบบับประบาทเลยไม่ให้พระไปจะพูดถลักทลายอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็าถามอะไรตอบอย่างนั้นปรับประบาทประจิตีเลยนะแต่พระฉันหน้าที่ท่านลูกเล่นนั่นเยอะพอพระพุทธเจ้าบัญญัติปรับประบาทประจิตีพูดพูดหลายอย่างนี้แกนิ่งอย่าเลยแกนิ่งแกไม่พูดเลยต้องบัญญัติขาบทใหม่อีกข้อนหนึ่งเึรึกสงถามแล้วนิ่งไม่พูดปรับประบาทประจิตีอีกอันนี้เราจะเห็นว่าวินัยของพระพุทธเจ้าเกิดอย่างเงี้ยเกิดอย่างเงี้ยเกิดเพราะว่า มันมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่ว่าคนบางพวกเนี่ยคือคืออะไรเขาเรียกกันล่อนไงคือกันล่อนมันก็ดิ้นดิ้นไปไปออกพระพุทธเจ้าก็ต้องต้องตีกรอบเอาไว้ตามไปแต่ถ้าตีไปก่อนไม่ได้นะตีไว้ก่อนไม่ได้ไม่มีตัวอย่างแล้วคนก็จะเอ๊ะทำไมไปต้องทําอย่างนั้นทําบัญญัติรุนแรงอย่างนั้นต้องต้องให้เห็นตัวอย่างเลยว่าคนประเภทนี้มันมีคุณอนะไม่คิดจริงคุณไม่ทําจริงแต่คนอื่นละ่ะมันวินัยนะบัญญัติแกคนทั่วไปไม่ใช่บัญญัติเฉพาะคนใดคนหนึ่งนี่นะ คุณไม่มีก่อนแล้วไปคุณจะเดือดร้อนอะไรลรอพี่นายซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคล้ายๆอย่างนี้ฮะอะไรปบสีที่แปดหรือสีฮะที่วยวายกันอยู่ด้วยว่ยวายทาไมถ้าเราไม่ทําอ่ะให้บัญญัติกฎหมายให้อะไรก็ตาเราไม่ ท, ทําจะอย่างคือเศษกระดาษแต่นั่นเองกฎหมายไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเราถ้าเราสำนึ ก, กว่าควรไม่ควรและเราละเว้นไม่ทําเนี่ยเขาบัญญัติเฉพาะคนบางพวกเท่านั้นเองคนที่ชอบละเมิดกฎหมายไม่เคารพกฎหมายไม่มีระเบียบพินัย แต่เราเองมีปัญหาเลยบัญญัติบรรยัติอะไรก็ได้เปลือกระดาษเปล่าเดี๋ยวเขาอยากจะเปลืงกระดาษเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวไม่ต้องไปเดือดร้อนอย่างหนังสือพิมพ์นึกแกโวยเรื่องอะไปอรอ82นะฮะ ร, รู้สึกจ ะ, ะ42นะโวยวายริดรอนเอรีภาพอะไรริดรอนอะไรมันหนังสือพิมพ์เมืองไทยมันสนุกจะตายแล้วเดี๋ยวนี้ยนึกจะด่าใครก็ดา่าสาบโคกรัฐมนตรีเพื่อคนใช้ในบ้านเราตัวเองเลยลสบายจะตายแล้วเนี่ยแต่ว่า แสดงว่าเราอยากจะทำํำจึงเดือดร้อนจากเพราะการห้ามถ้าเราไม่อยากจะทําเราไม่เดือดร้อนกับการห้ามอะไรห้ามห้ามอะไรสิจะแปลกอะไรทีนี้ไอ้คำพูดประเภทประเภทประเภทเลื่อนไหลนะฮะเลื่อนไหลไปด้วยมันมีเยอะสมัยนั้นบางคนเป็นทั้งาศาสดาก็มนะีอย่างเช่นปุรนักกัจจปะนี่พูดเลื่อนไหลเหมือนกันเอาเรื่องไม่ได้เลยแต่จะถามว่าถ้าท่านถามถ้าท่านถามข้าพเจ้าว่า บาปมีไหมถ้ามีก็ข้าพเจา้าว่า ม, าา ม, ถา ม, าามีถ้าไม่มีก็ข้าพเจ้าว่าไม่มีถ้าไม่มีข้าพเจ้าก็ว่าไม่มีไม่มีไม่รู้อะไรเลยถ้าอะไรนะใช่ไม่ใช่ข้าพเจา้าถ้าใช่ข้าพเจ้าก็ว่าใช่ไม่ใช่ข้าพเจ้าก็าว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าพเจ้าก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือคือแกพูดเองแกก็ยังไม่เข้าใจอะแต่แปลกนะแกเป็นนักสงสารสดานะเพราะ apa? เพราะว่าคนบางคนมีลักษณะอย่างหนึง่งมัน คือคือว่าคนที่ทําอะไรที่เพื่อนเขาไม่รู้เรื่องน ะ, ะพวกนี้บางทีมันมันอาการทางจิตมันผิดปกติคือชอบเข้าไปเป็นพวกแสดงว่าแกนะเก่งมากเลยสามารถรู้เรื่องได้เป็นลูกศิษย์ลูกหางคนเหล่านั้นได้ยิ้มยิ้มหัวเราะ อ, อะไรอะไรกันได้นะเวลาเขาพูดทั้งๆที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตองการแสดงสถานะแบบประราชานุพาศรีปนะเหมือนเหมือนกันแนวนั้นนะลักษณะอาการทางจิตคนนึง ดังนั้นคนประเภทนี้ถ้าเราไปคุยแล้วไม่จบสิ้นไม่จบสิ้นพระสมัยก่อนถ้าเราไปศึกษาไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนนานนะก่อนสมัยแต่แถวเนี้ยแต่แถวเล ย, เลยๆใยการที่หกือหลังในการที่หกหน่อยเนี่ยบางทีนี่พระขว้างปลากันด้วยกระโถบนบนตรรมวาเลยมันตีรวนกันตีรวนถามมายอมให้เพื่อนถูกเลยแล้วก็ออกไปนอกเรื่อง นอกธรรมะไปเมื่อไร่ไปรู้องค์นี้ก็พูดดึงธรรมะอยู่ดีๆออกนอกธรรมะแกคงดีแกก็บอกโหนนะพระทำไมก่อนในใจดุกั้งกระโถนกระโถนพระทำไมนั้นฉันหมากซะด้วยเจ้ากระโถนน้าหมาก็ไปปลิวข้ามธรรมะไปโดนหัวโยมอะไก็ยุ่งไปหมดเลยนี่ก็คือพูดไม่เป็นเรื่องแล้วเราฟังเข้าแล้วเราก็ไม่ได้เรื่องอะไรคนตอนนี้ไม่จําเป็นจะต้องสนทนาอะไรกับเขาก็ตัดปัญหาประเด็นก็ให้เขาชนะไปเลยนะถ้าก็อยากชนะก็เชิญคุณชนะไปก่อนแล้วกันไม่ต้องเฉียงกันหรอก เอะไรภาษาดิบุตรนะพระเทวทัตมาท้าภาษาริบุตรโต้วาทะกันภาษาดิบุตรท่านยอมแพ้ภาษาดิบุตรท่านยอมแพ้แล้วก็มีภิกษุมาการาบทูรงพุทธเจ้าภาษาดิบุตรไม่ยอมโต้กับพระเทวทัตพระพุทธเจ้าบอกเป็นอย่างนั้นก็เล่าว่าในสมัยก่อนในพระเทวทัต ย, ยังเคยเกิดเป็นหมู สารุบูติเคยเคยเป็นราชสีราชสีมา ห, หมูมาท้าสู้กับราชสีแต่เปื้อนเหม้นหึงกันทั้งตัวราชสียอมแพ้เลยยกให้ชนะเลยยกให้ชนะเล ย, ยก็อยากชนะเอาเลย ก, ก, ก็ไม่ต้องมาเถียงกันหรอกยอมเสเลยอันนี้ปัญหาใ น, ใ, นในกรณีที่เราไปสนทนากันในกรณีนี้นะวิธีดีที่สุด ก, ก็คือปล่อยเขาเขาชนะไปเลยแต่เราจะไปคิดจะตล่อมอะไรเขานี่เขาก็ไม่ยอม ให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเวลาเราจะเอาเรื่องเอาราวนะฮะเอาเรื่องเอาราวกันเช่นพระพุทธเจ้าสนทนากาับสัจจนิคนพระเจ้าตั้งประเด็นเรียกก่อนนะว่าไอความจริงเป็นยังไงมันต้องยุติกันตรงนั้นต้องยุติกัรตรงนั้นไม่เจ้าแกจะถลัยไปเรื่อย це. หรือพระยามิลินสนทนากับพระนางเสนเนี่นะฮะ พระนาคเสนขอก่ อ, อนนะนี่พูดกันด้วยปราดพูดกับปาดนะไม่ใช่พระพูดกับพระราชานะพระพระารณ์เบลินถามว่าอย่างไงพระราชาพูดกับพระเป็นยังไงเอาพระราชาต้องการเอาชนะพอเห็นพระจะชนะก็หาเรื่องทะเลาะพระแล้วก็เบียดเบียนพระแต่ถ้านนักปาฏพูดกับท่านปาฏนันจะยุติได้เหตุผลเท่านั้นเองเหตุผลของใครคงคกล้ากว่าดีกว่าก็าชนะไปแล้วไม่ได้ถือว่าเสียศักดิ์ศรีอะไรเราเองเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากถ้อยคําของท่านเหล่านั้นเพรานปราดนั้นจะยุติได้เหตุผล การจะสนทนาบางเรื่องต้องตีกรอบซะก่อนพราะนั้นแล้วแกออกไปนอกกรอบแล้วก็วุ่นนะตามลากกันมาได้แม้บางทีก็เรียกว่าหรือการเทศบางทีเนี่ยฮะเขาเรียกทํำกระถือย่านใสไหลย่นันใสคือมันไหลเรื่อยไปเรื่อยๆนะไม่รู้เทศเรื่องอะไรประเด็นไม่มีฉากเขาเรียกว่าเทศไม่มีฉากไม่รู้ไปอะไรไปเลยถ้าจะถามว่ามันเรื่องอะไรแนะ่ลองเราจะเห็นว่าถ้าจับกันมาเป็นตอนๆ น, นำมาตัดต่อปรุงแต่งสมยัยมันก็ได้เรื่อง แต่ว่าประเด็นที่จะอธิบายนั้นเราเจอพบว่าไม่มีประเด็นหลักประเด็นเน้นในในการเทศเขาเรียกว่าอะไรอุทเทศอุทเทศนิเทศปฏินิเท ศ, ะ น, เทศนะคืออุทเทศนั้นหมายความหัวข้อหลักที่เราตั้งขึ้นเช่นเช่นอะไรสมมติว่าตาเหีอัตโนนาโถเนี่ก็ถืออุทเทศต่อไปก็อั น, นิเทศคือชี้แจงต้นคืออะไรตนเป็นที่พึ่งของตนยังไงอธิบายเป็นไปไ ป, ไปแล้วในที่สุดปฏินิเทศคือสรุป สรุปชีประเด็นชัดเราจะพบของพระพุทธเจ้าเดินอย่างนั้นเลยเพราะงามทั้งสาทั้งทั้งสาช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่ว ง, ว ง, ว ง, วงปลายและยุติหมดเลยของพระุทธเจ้าเนี่ยสอบไปปุ๊บเลยเห็นชัดคือมันคล้ายๆกับเปจุดแสงสว่างข้างหลังแล้วมันสะท้อนกลับมาข้างหน้าอีกทีนึ่งทำให้มองเห็นจากทั้งหน้าทั้งหลังไม่ว่าทรงแสดงเรื่องอะไรก็ตามเป็นสูตรที่ที่เรียกว่าก็หาคนทัดเทียมไม่ได้นะในการพูดเนี่ยอาตมาเวลาเนี่ย เมื่อวันซือนี่ไปประจบ ก, กันพระเขาถามอาจารย์อ่านหนังสือของใครผมไม่เคยได้อ่านเดี๋ยวนี้อ่านพระไติกมันมันไงมันมันจุดๆจัจจงไงไม่รู้มันอ่านอะ่ะคือคือคนเดี๋ยวนี้เขียนหนังสือก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะก็เราเรารู้สึกว่ามันไม่เคยมีหลักอะเรื่องของพระพุทธเจ้าท่านท่านมีหลักมั่นคงแล้วก็เดินไม่ไม่สายทำให้เราจับหลักได้ถ้าจะอ่านนะนอกจากข่าวหนังสือพิมพ์นจะกข่าวหนังสือพิมพ์ก็อ่านพะไปไิดกไปเลยดีกว่า ทีนี้อีกคนพวกหนึ่งนั้นคือเวลาสนทนากันแล้วมักโกรธโกรธผูกโกรธนะไม่พอใจเรื่องความโกรธนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากในพระพุทธศาสนานั้นอย่างในกรณีคนเขาด่าว่าพระรัตนัจในพระชาสูตรนะที่ริงอยู่หน้าสามเนี่ยมาน้อยใจว่าทำไมไม่อ่านกันบ้างนะ เวลาคนก็ติเตียนพระรัตนตรัยหรือด่าว่าพระรัตนตรัยเนี่ยก็สอนไม่ให้โกรธเท่านั้นเองนะฮะตอนไม่ให้โกรธเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความมาโต้อตอบชี้แจงไม่ได้ก็ทรงปรารบเรื่องพระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์เดินไปข้างหน้าแล้วก็นักบวชอีกกลุ่มหนึ่งคกอสุปยะพวกปริพาชคนะฮะกับพรหมตตามานก็เดินมาข้างหลัง สุปิยะริพาชกมองดูพระสงฆ์ท่านเดินไปเรียบร้อยไม่มีคุยไม่มีเล่นไม่วอกแวกกับสวนยิ่งเดินตามพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะครับก็นรู้ดูลูกศิษย์ของตนพระรงพระรังคุยกันเล่นกันหยอกเอินกันก็เกิดเทียบเคียงกันแล้วแทนที่จะตําหนิตัวเองไม่ตําหนิฮะเกินหมันใส่พระพุทธเจ้ากันนะเลยด่าพระพุทธเจ้าเดินด่าไปข้างหลังไอ้ลูกศิษย์บอกเอออาจารย์เนี่ยไม่ยุติธรรม ก็ของเขาดีกว่าแล้วทําไมเราไม่ทําดีตามเขาทําไมจะต้องไปไปไปไปทําลายเขาให้ลงมาเสมอกับเราให้ลองสังเกตฮะเวลานี้คนต้องการความดีต้องการขึ้นภูเขาแต่ไม่อยากปีนเขานะฮะต้องการพังเขาพังเขาลงมาโดยตัวเองไม่ต้องปีนนี่ลักษณะอย่างนี้ให้ลองสังเกตว่าแนวความคิดเหล่านี้มันก็พอๆกันแนวของของบ้านเมืองเราคือถ้าใครดีนะเราต้องหาเรื่องทําลาย ทำลายจะทำลายหลายเรื่องนะฮะคือปล้นจะเลยปล้นจะเลยนี่เมื่อเช้าเนี่ยไอ้ชาก็ไปในงานแห่งหนึ่งคนก็คุ้นกันนะฮะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพ่ อ, พอเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มาบีบคอให้ไปช่วยลูกสาวลูกชายก็แต่งงานไปให้ศรีให้ฟอนเขาแ่้วพอดีก็ถามลูกของโยมคนก็เป็นผู้พากษาอายุ28ปีนี่ถามเป็นผู้พากษ า, าตัดสินประหารคนม้างอย่างเนี่ยบอกว่าทำมาแล้วสองราย แล้วแกล่าฟังรายหนึ่งแถวจังหวัดอะไรโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเหตุการณ์นี้คนพิธีวันศาสตร์คนเต็มศาลาการเปรียนโจนขึ้นมา20คนบังคับเอาปืนจี้บังคับให้คนนอนราบกับพื้นไนคนอคนก่อคดเสร็จแล้วโยมคนหนึ่งคงจะเงอดู <c ười> คนต้อนคนบนศาลาการเปรียนะฮะในวันศาสตร์ด้วยคนในโลกนี้เขียเกลียวม่จะเล่นนฮะแล้วเสร็จแล้ว พอคนเงยหน้าขึ้นมาก็ยิงปราดตายคนแล้วก็บาดเจ็บหลายคนเลยก็สารตัดสินประหารเลยปรานจะรู้จึดจะจับได้สิหรือเจคนไม่รู้นะนี่โอโหคนค น, คนไม่ใช่เล่นกันเยี่ยมเกลียมอย่า ง, งเราไม่ไม่น้กว่าเหตุการณ์เราเรานี้จะมีในเมืองในเมืองพุทธโดยเฉพาะในเมืองไทยแล้วก็ปล้นกันในในวันศาสตร์ด้วยทําบุญอุทิศให้บรรพชนด้วยนะฮะแล้วก็ปล้นคนคนเข้าวัดเนี่ยจะพกสตางค์ไปกี่บาทเนีย ก็จะเอาไปทำอะไรมากๆนะข้าวของอะไรก็กระจายไปแล้วนี่นะจริงแล้ ว, ลวไปยิงกราดบนการมาเรียนด้วยโอ้โเหเยี่ยมเกียดนะคงจะต้องต้องแก้ไขกันนานนะบ้านเราเนี่ยคงจะต้องแก้ไขคนกันนานถ้าเราแก้ไขไม่ดีก็คงจะมีปัญหาเยืะแยอในโอกาสต่ตอไปอดังนั้นไอาการบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายเอาไม่อยู่เลยครับไม่ใช่มาตรการทางศีลธรรมเนี่ยเอาไม่อยู่เลย ดึงคนไม่อยู่โดยทางม า, มาตรการทางกฎหมายเขาก็ใช้ขเข้าไปความโกรธที่เกิดขึ้นถ้าหากว่ามั น, ม, นมันออกมาแรงก็ออกมาในรูปของแกรคือวริษยานะพอคนนี้เขาดีเราก็ริษยาเขาคือปล้นจะเลยเราจะลองสังเกตนะชาวนาขายข้าวใหม่ๆเอาพวกไปปลนะ้นนั่นเพราะอะไรว่ากลัวเขาจะดีอีกหนึ่งก็เป็นอินท่าเขาอีกหนึ่งก็ไปแข่งกับเขา นั่นคือพฤติกรรมถาวรในทั้งคมมนุษย์แต่ท่านสุภิยะปริภาชกนั้นอยู่สายกลางฮะตรงกลางคือด่าเลยตัวเองทำทำดีกว่าเขาไม่ได้ทําดีเสมอเขาไม่ได้เลยด่าเขาเสเลยก็เพิ่มความตกต่ำให้แก่ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะฮะหมายความว่ากายทุจริตแล้วแล้วก็วจีเลยทุจริตตามไปด้วยแสดงว่าใจนั้นมีแต่ทุจริตพระ ม, รรมัทตามโนก็ทุ่ติงรุง่งเงยเช้าก็ด่ากันไปนะฮะคนหนึ่งยกย่องคนหนึ่งสรรเสริญ เจ้ากุญชาก็มีภิกษุไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งว่าเมื่อข้อติพระตันฑใจนะโดยสรุปพวกเธออย่าโกรธอย่าโกรธอย่าไม่สบายใจอย่าขุนเคืองอย่าอย่ากังวลแต่ถ้าเขาด่าไม่ถูกต้องก็ต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจบอกว่าอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีในหมู่เราในหมู่ในคณะของเราต้องชี้แจงแต่อย่าชี้แจงในความโกรธเพราะถ้าความโกรธแล้วจะไม่เห็นอาจไม่เห็นทำ คือไอความโกรธมันเข้ามาแล้วมันมันเหตุผลสติปัญญามันหายไปแต่ต้องชี้แจงนี่คือประเด็นในแนวพระพุทธศานสนาต้องชี้แจงนะแล้วไม่จำเป็นจะต้องชี้แจงโดยความโกรธดังนั้นเราจะพบะเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลนี่มีเยอะประหาชออกโรงเองนะภาษาริบุตรออกโรงเองมกคลานะออกโรงเองอย่างในเทวทัตออกมาปลุกระดมในภาษาริบุตรนําทีมออกชี้แจงเองชี้แจงกลางถนนนี่แหละ ชี้แจงกันในเมืองเนี่ยไม่ไม่ต้องมีโทรศัพทโทรศัพึงเลยนะไม่มีเครื่องขยายเสียงขึ้นรถอะไรหรอกก็ไปเดินไปชี้แจงนะฮะประกบกันเลยเขาเขาไปพูดตรงนี้เราก็ตามไปเลยตามไปล้างนะฮะหมายความว่าเขาไปสาปโทนไว้เราก็ตามไปล้างเลยทากันอย่างนั้นนะรจกถึงลูกถึงคนนะโดยไม่ได้ต้องโกรธอย่าลืมพระอนาจารย์จะไม่โกรธฮะแต่ตั้งก็ชี้แจงบางครั้งบางคราวนั้นต้องการจะป้องกันคนอื่น อย่างเช่นคราวราชกษัตเศรษฐีที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเจ้าพ่อปฏิหารนะฮะเริ่มต้นกันตรงตรงนี้แหละเศรษฐีราชกษราชกษัตเศรษฐีก็เอาไม้เอาบาดมาแขวนไว้ทําดยไม้จันปุ่มไม้จันนะแขวนไว้ประกาศว่าถ้าพระอาหารมีในโลกนี้ให้หอกมามาเอาวันที่หแล้วนะฮะยังไม่มีใครหอะมาพระสงฆ์นั้นไม่ยุ่งูน ง, นนงน้ำบวชนอกศาสนามไปแสดงอิทธิปฏิหารนะแต่ว่าทำให้หอะแล้วก็เศรษฐีไม่ให้ วันตอนเช้าวันที่เจ็ดมันจะหมดมันมันจะถึงเส้นตายแล้วนะฮะพวกชาวบ้านก็ก็สนทนากันเอ้ยนักข่าวคนนั้นเป็นพระหันคนนี้เป็นพระหันคนนั้นเป็นพระหานก็เห็นราชเสิทธิอวบาดมาแขวนไว้ให้คนที่เป็นพระหันเถอเมาไม่เห็นใครเมาแสดงว่าโลกนี้ไม่มีพระหันธรรมะทั้งหลายก็มีพระเเพวอันนี้มันเป็นประประวาทนะเป็นอริยประวาดแล้วพอพูดแพร่หลายออกไปสมมติว่าพระโมคคัลลานะท่านไม่แก้ปัญหานี้นะคนมันจะวิพากวิจาร์กันมากขึ้น วิชาวิวภาควิจาร์ก็มากขึ้นเป็นบาปโดยไม่ได้เรื่องอะไรเลยอะไปด่าว่าพระอริยะเจ้าไปปฏิเสธพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่เป็นบาปกรมปรมมาเปล่าเพราะงั้นพระโมคคัลลานะก็ใช้พระปิรินต ว, วัจฉายหาะขึ้นไปเขึ้นไปเอาบาสนั้นแล้วก็ไม่ได้เอาเรากฮะเหาะขึ้นไปแต่นั้นเองแล้วเสร็จแล้วท่างก็ลงเพราะเขาท้าทายโดยการหาะท่าก็เหาะขึ้นไปแล้วท่านก็ลงกลับมาเท่านั้นเองบาตไอ้ราชังหาเศรษฐีก็ปลดลงมาเองแต่ไม่ไปเอาอะไรเพียงสแสดงเพื่อกแก้เพื่อกแก้ประรัพว่า ที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ลามปลามต่อไปเราก็พูดยืดยืดเยอะนะฮะจากปากเข้าหูจากรูเลื่อยอะไรตัวไรเนี่ยในสุดมันก็พูดลามปลามออกไปมากเพราะงั้น เ, เวลาสนทนาอะไรก็ตามอย่ากโกรธอย่อยาย้าเกิดความโกรธเข้าครอบงำเพราะถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้วจะไม่เห็นอัดไม่เห็นทำนะเหตุผลสติปัญญาก็หายไป พอใครจะคุยเรื่องนี้เข้าแล้วเขาจะเริ่มโกรธก็เห็นจะต้องพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะค่อยคุยกันไว้หลังวันนี้ไม่ว่างไงคุยกันก่อนคุยกันหลังดีกว่าเพราะถ้าคุยธรรมะหรือว่าคุยอะไรก็ตามจิตใจขุดมัวสร้างหมองก็ไม่รู้จะคุยทําอะไรถ้าม้านเน้นมุ่งที่จะขัดเราใจตัวเองเสริมสร้างปัญญาเสริมสร้างเหตุผลอย่างอา น, นิสงส์ของการฟังธรรมนะฮะท่านทั้งหลายจะเพราบว่าอา น, นิสงส์ของการฟังธรรมนั้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเออ มีเรื่องเป็นามากที่เรารู้แล้วเราก็รู้แต่ก็ฟังได้อยู่เรื่ยๆมีพระบางองค์เคยคุยกันบอกว่า เ, เรื่องก็ฟังแล้วทั้งนั้น <pizza> บอกว่าบางฟังแล้วนะแต่ว่าอา น, นิสงส์นี่รงแสดงว่าผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดแต่เข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นฟังแล้วแต่ย Wed ังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นเรื่องบางเรื่องนี่ยไม่จะเล่นนะ เรื่องวังเรื่องว่าอย่างเทวปุตตมานเนี่ยรับเทวปุตตมานในเวลาอธิบายในขณะปัจจุบันเนี่ยอธิบายปัจจุบันอากาะของอารมณ์นะฮะอาตมาอธิบายมานสี่ได้ไอเทพปุตตมานมันอะไรคิดกันนานๆไอคิดไม่ออกมันก่อนฟังเทศสมเด็จในบทสมเด็จ่เทศเรื่องมานห้าพอถึงเทวปุตตมานท่านอธิบายในหมามันเย็นเหมือนใครเอาน้ำมารดบนหัวเลยโอ้ยมันหลุดไปได้มันติดอยู่ตั้งหลายปีเอ้าอะไรขึ้นมันดีนะ ไอ้ห้าอย่างนั้นเราอธิบายปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันได้นะฮะคืออธิบายแนวนามธรรมาล้วนๆส่วนอธิบายรูปธรรมนั้นอธิบายได้มานานแล้วนะตามตามที่พระธรรมอาจารย์ท่านว่าไว้เนี่ยไม่แปลกอะไรแต่พ อ, อนามธรรมาเนี่ยคือไอ้ตัวเทพอุตมานั้นคืออะไรแล้วก็อยากรู้มันคืออะไรกันแน่สมเด็จท่านก็บอกว่าคือไอ้มาณะที่เกิดว่าเราเป็นนะมาณะที่เกิดเราเป็น อ, อ, อะไรล่ะเอตังภาวะเอโสมัสมิเราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเนี่ยเกิดความเป็นขึ้นมา มันก็กลายเป็นมานเป็นเทปุตตมานเป็นอะไรล่ะแนวปฏิจจสมาบาติก็คือเป็นสังขารหรือเป็นสังขารเพบในปฏิจจ ա สมาบาทหรืออหังการนามังการนะเป็นเราเป็นของเราขึ้นมามันก็กลายเป็นมานนะเป็นมานอย่างหนึ่งที่ล้างผลาญเราจะลองลองสังเกตว่าเช่ว่าเราจะไปในที่ไหนมันเกิดมานะว่าเราใหญ่ขึ้นมาเนี่ย เพื่อนเอาน้ําดื่มมาส่งมาเจือโครมเข้าด้วยเอาน้ําใส่แก้วเล็กไอ้แก้วพลาสติกมาให้นี่มันขึ้นทันทีเลยโตสะขึ้นทันทีเลยไอ้นี่ดุมหมิ่นไม่ให้เกียรติเรเอายังไงไม่รู้ว่าเราเป็นใครฉันเป็นใครรู้เปาอันนี้ก็มนันขึ้นทันทีเป็นเทวปุตต ม, มันเกิดมันเกิดปรุงจากกิเลสแต่ว่าอาการนั้นเป็นเถวบุตรคือผู้ใหญ่อย่างนะฮะรู้สึกว่าตัวใหญ่มีอํานาจที่จะแสดงอาการเกี่ยวกราด หรือว่าดุด่าคนอื่นก็ได้บางคนนี่รู้สึกว่าเป็นอยู่ยาก เ, ลเหลือเกินเพราะว่าไปหมดเลยเล็กไม่เป็นไปไหนก็ทั้งก็ไปทั้งหมดแต่เราจะพบว่าอย่างผู้ใหญ่บางขั้นนะยันเช้นสมเด็จทั้งราชเจ้าวรวรเนี่ยนั่นนั่นเป็นคนขำมากนะก็ปล่อยวางไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีอะไรเกิดขนะึ้นแต่คนกลัวท่านนั้นเองนั่นเดินเนี่ยในวัดจะเจอลวงตาองค์หลวงตาลวงตาถามว่าลวงตาลวงตา กุฏิสังฆราชอยู่ตรงไหนพระมาจะแต่งอย่างวัดกุฏิสังฆราชอยู่ตรงไหนอยู่ทรงโน้นอยู่ทรงโน้นแล้วคุยกันนะคุยกันได้แล้วพระองค์นั้นก็ถามว่าลวงตาชื่อไรชื่อชื่นบอกชื่อชื่นแล้วก็ท่านก็สั่งนะวันหลังมาแล้วมาเยี่ยมนะมาเยี่ยมมาคุยกันบ้างแล้วก็ยืนคุยกันกล า, างถนนแล้วก็ไปองค์โน้นก็มาวันหลังนี้มามาเยี่ยมดวงตาชื่น ตาชื่อได้ทาในนัเล <olarak> ็กเด่นก็ไม่รู้เพราะเขเรียกสมเด็จมานานานเรียกสมเด็จหรือเรียกลงปู่ไม่มีใครเรียกลงตาชื่นอ้ากันอ้ากันอ่ะไม่พอไปว้าสังก์ลาดดีกว่าไปว้าสังก์ลาดดีกว่าก็ไปไปเจอสมเด็จนั่งอ่ยอ้าวเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านท่านท่านไม่มีอะไรอ่ะ พอท่านไปท่านก็ไปราชการที่สี่ท่านเที่ยวทุดดงแต่ก็ไปธรรมดาเราจะเห็นว่าพอราชการที่สีออกสวยราชภาพเห็นไหมเปลี่ยนแปลงให้แบบแผนที่ว่ามองดูไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้มองเมื่อก่อนยิงตานะมองยิงตาราษฎรไปมองในหลวงต้องยิงตารัชการที่สี่สั่งเลิกไอ้ความใกล้ชิตเพราะท่านเป็นพระท่านตลอนตะลอนตลอไปทุดดงไปส บ, สบายสบายไม่เอายศเจ้าฟ้าไปเราเป็นพระองค์หนึ่งไปสบายนะมันมันเหมือนเหมือนกับนกมีปีกมันบินได้สบายเลย แต่ถ้าเราเกิดมานะขึ้นมานี่แม้จะพูดจะคุยจะอะไรก็พร้อมที่จะตกเฉียงพร้อมที่จะเลาะวิวาทกับคนอื่นความเห็นของคนอื่นก็ไม่ถูกสักอย่างนึงมีแต่ของเราก็เดียวถูกกันเนี่ยเรายุ่งหมดมันเกิดเป็นมานะเกิดเป็นอะไรเทวปุตมานขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันนะหมายความว่ า, าพูดแล้วได้รู้สึกว่าคนอื่นไม่ถูกคนอื่นพูดไม่ดีแล้วในที่สุดก็แสดงอาการโกรธเกลี้ยวขึ้นมา พี่เจ้าก็อย่าไปคุยนะอย่าไปคุยแต่ถ้าใครคุยในลักษณะไม่ชวนทะเลาะปนีปนองกันได้นะคนเราบางนก็ผิดพลาดกันได้ส่วนที่ถูกก็มีส่วนที่ผิดก็มีคล้ายๆกับเราซื้อของในตลาดเราก็เลือกก็ส่วนที่ดีๆส่วนไม่ดีก็ออกออกไปไหรือแม้แต่ผลไม้บางอย่างมันไอ้ที่กินไม่ได้ก็ปอกออกไปนะเอาเฉพาะเนื้อที่กินได้ก็ปนีปนองกันตามความคิดได้นี่คือกระถาวัตถุ เรื่องที่ควรคุยกันหมายความว่าคุยจะต้องมีหลักฐานไม่ใช่คุยจะต้องแนวอธิบายโดยแนวเดียวหรือจําแนกให้ชัดเจนหรือถามให้ตอบหรือยกเลิกเรื่องมาเรื่องออกไล่หรือไม่อย่างนั้นจะต้องมีหลักมีฐานไม่ีมีหลักมีฐานมีที่ไปที่มามีอ้างอิงได้ไม่จะพูดขึ้นมาลอยๆแล้วไม่รู้หลักฐานอันนี้มาจากไหน ก็เรียกว่านิทานนาวจีนะครพระพุทธศาสนาเรานี่เน้นตรงนี้มา ก, กว่าพระพูดนั้นจะต้องมีที่ไปที่มามีคนก็ว่าท่านเจ้าคุณพูดอ้างพระพุทธเจ้าเลยเพราะฉันมาไม่ต้องการสอนใครนะี่ยมามาต้องการอธิบายธรรมะพระพุทธเจ้าแต่นั้นเองคือเราจะอายกธรรมะพระพุทธเจ้ า, าอธิบายเราไม่ทําตัวเป็นอาจารย์ได้เองธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่นั่นเองเราก็ต้องอ้างไปเรื่อยเลยหลักฐานเหล่านี้มีที่ไหนเราก็บอกไปเรืยจะไม่พูดลอยไปเลยแต่ยงพูดลอยก็ได้นะ ร้ก็ได้แล้วจะพูดคล่องกว่าได้ด้วยไม่ต้องอ้างแต่ว่าเราอย่าลืมเรามีหน้าที่อธิบายธรรมะถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าเรามีหน้าที่เป็นราชทูตอ่านราชสารเราไม่ไปวอแวไปหาเรื่องจะไปสอนใครอะรเราอธิบายธรรมะให้ฟังต่นนั้นเด่นว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้พระอาจารย์ว่าอย่างนี้ไว้ในคมภี์นั้นไปนั่นก็ว่ากันไปหรือว่าใ น, ในการคุยอะไรนี่เราก็อย่าไปถ้ามีเขาจะแตกแยกจะทะเลาะเราก็เลิกคุยก่อนนะพักรบไปก่อนเมื่อคุยกันใจเย็นๆ นี่ก็มันเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มสติปัญญาเพิ่มเหตุผลเพิ่มความสบายใจความสุขใจตามเป้าประสงค์ในการฟังธรรมนะสิ่งใดที่ข้องใจสงสัยก็คลายความสงสัยได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตผ่องไสอะ่ะนะอันนี้สมการฟังธรรมก็สุดท้ายใจต้องผ่องใสพูดกลัวกันแล้วเราพูดทําไมใจไม่ผ่องใสมันไม่ใจเป็นการฟังธรรมเลยนะก็เลยไม่ได้อันนี้สมนี่ก็เป็นคาถาวัตถุชุด3นะฮะไม่ใช่ชุด10เวลาก็หมดลงแต่เพียงนี้ในที่สุดนี้ก็ขอ ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเธิ